เซขะปฏิปทาทรมิกถาก่อนฟาสางวันที่ส4ี่มกราคมพศ2547เรื่องพัะเทกระตคาถาศิลปะแห่งการดำรงชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพชโชติปัญโยก็จะตามดูตามรูมม้แล้ว่าอนุรักษ์มันไว้ที่ว่าสัจจานุอนุรักษ์เคยอะ ตามรักษาความจริงอันนี้เมื่อเรามีปัญญาอย่างไม่ประมาณคิดปั๊บก็รู้ปุ๊บความคิดนั่นก็ดับไปคิดใหม่ใม่ก็รู้รู้ใหม่มันก็ดับไปใหม่หลายครั้งหลายครั้งเข้าก็จะเห็มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับไอคำว่าเกิดดับเกิดเกิดดับตัวนี้ก็เป็นความจริงเป็นสัจจาที่เราจะต้องอนุรักษ์เถยดยะเมื่อเราเห็นมันเกิดมันดับจิตใจมันมันปล่อยเลยมันไม่เอาเลย เขารู้ว่ามันกระดับไปมันก็ไม่เอาเลยมันไม่สนใจเลยมันก็จะเป็นจาคามนุนผัวย พ, พ่อคูณการปล่อยการสลัดออกสลัดออกสลัดออกท่านยิมสโลให้เรารู้ว่าคำว่าจาคาที่แท้จริงมันคืออะไรเอโซ อ, อริโยจากโคยกท่ถังสภูปฏิปฏินิสขาพิสูทังหลาย ยาคะอันภปเสริญอั น, นอริยะนี้คือยะที่ถังสัพพูปฏิปฏินิสขาคือการสลัดสละสละ ส, สลัดความยึดถือทั้งหลายออกไปสัพพะอุปทิเป็นสัพพูปัิปฏินิสขาสลัดคืนซึ่งอุปทิทั้งหมดอะไรคืออุปทิ กาโมปธิความเขาไปยึดมันมนนมนมดม่นถือมั่นในกามขันธูปธิความเขาไปยึดมั่นถือมั่นในขันในเวทนาในสัญญาในสังขารในโลกในานา้ำเหล่านี้กามขันพบภูปธิความเข้าไปยึดถือยึดมั่นถือมัน่นในภาวะที่เรามีเราเป็นที่อเอาทั้งสามอันเองบอกวะ่ สัพพูปะทิปตินิสข า, าสลัดคืนซึ่งความยึดถือทั้งปวงสัพพะสพพันตเป็นทั้งปวงทั้งหมดอุปธิอุปอปเข้าไปอธิยึดถือเอาอย่างยิ่งฟังทีจะใช้ว่าอุปทานอุปาทานังอุปปเข้าไปอาทานน่งถือเอาเข้าไปถือเอาความมันเป็นอย่างนี้ ที่พตาตตาสมาหมายเขาใช้คำวา่า attachment เอ้โสหิอริโยจาโคยะที่ถังสะฟูปฏิปรินิสขาการจาฆะอันฝืนเสด็จที่เป็นอดิจะคือการสละสละสลัสลัดออกความยึดถือทั้งปวงออกไปคืนไป น, นี่เราคงจะพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าจาฆะหรือว่าบริจาค บางทีไม่รู้จักผ ม, ผมก็เลยคิดว่าไม่ใช่เราจะเข้าจะไดง่ายนะวันหนึ่งดึกๆถ้าอาจารย์ใหญ่องงหนึ่งโทรศัพท์มาหาองเป็นเพื่อนกันเป็นพระครูใจเลยชั้นพิเศษอาจารย์ทั้งพบบอกบอกอาจารย์ทั้งพบเป็นผูน้ใดเจองโทรมาหาเธอโทรมาอาจารย์ทั้งพบ อ, อาจารย์ทั้งพบตัวต้องหลับโอ้อาจารย์เ่อเป็นอย่างนอ้อเขามาตื่นเต้นเลิศเต่เศ้าเต้นเม้าเต้น เขาละเอาตู้บริจาคคนไปนะโก้ก็เฉยโก้ก็เฉยเฉยอยู่เดินมิลาเลยเต็มตู้หนึ่งกันพเสียใด้เปล่าอ๋ก็อยู่ว่าตู้บริจาคเปล่าเต็มไปด้เสียใจเลยก็ไดคิดเลยตู้บริจาคบริจาคไปว่าสลัดออกไปอย่างจิ้อะไรเขาไปยังเป็นอย่างออกไปจากสิบตู้หรืเป็นอยังหัวกากะเป็อยเนอะี่สิหมดบริจาคนู่นมาบริจาคแค่มุมมิบริจาคเก้ ตูต้เธอเลยตู้บริจาคเอาเงินบ ร, ริจาคเดิมูลค่ามันมาเป็นตู้บริจาคกันตู้ขีที่นะเนะพะื่อท่านมาที่นี่ตาปกติท่านจะไม่เคเนตู้บริจาคก็จะมีเฉพาะในในวันเช่นนี้แหละทางคณะสงฆ์เห็นว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่โยมผู้จะสลัดออกจากอุปทานอุปธิทั้งกลุมมันจะง่ายต่อบุคคลเหล่านั้นแต่เราจะไม่เรียกร้อง แต่วันธรรมดาที่วัดสองวันนี้ไม่เคยมีตู้บริจาคแต่ไม่เป็นตู้ขีทีกลัวมัจะแประลรูปเป็นตู้คีดนี่ตูม้มาเชิญญาบุเลยว่าห้องมาเจอได้ฟังเขาลกตู้บริจาคผมไปบอเกิดตู้บริจาคเป็นว่าเอให้เขาไว้ลงไปจักสุขู้พูดว่าแกก็หัวเราชื่นใจโอยพอเรียกผมเป็นพอเลยเอจะเป็นทวายนอกแล้ว เขาไปก็ตัเอได้มาเลยเราไปไม่ตูก็จะบคัเซได้ยนบ่อพน่ะอีพอเอ้ยเ่อว่จะฟัว่าตัวบริจากเฮาอไรตีคือบริจากนะจารามฤคภห้เจมันพ่อพูนจาระคือการสละสลัดสุดท้ายเมื่อเราจาระเมื่อมันคิดขึ้นเรารูด้วยปัญญา แล้วมันก็จะดับไปเป็นความจริงเกิดดับเป็นสัตตะเมื่อมันดับไปแล้วรู้ระดับรู้ระดับเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับรู้แล้วปล่อยมันก็ปล่อยของมันเองเราไม่ต้องไปปลดดอกมันปล่อยเองพอเรารู้พุกมันก็หยุดเองของคิดโดยเราไม่ต้องไปสั่งให้มันหยุดดอกมันเป็นเองเม่อมันเป็นเองอย่างนี้ก็นี่คือสันติสงบเอง สงบจากการปล่อยสงบจากการวางสงบจากการมึถือการยึดถือล่วงเลยทั้งการยึดถือและการปล่อยวางยึดถือก็มันยึดถือปล่อยวางก็ไม่ต้องปล่อยวางตรงนี้มันปล่อยเขามันเองโดยไม่ใช่เราไปล่อไปปล่อยมันเมื่อพินแต่เรารู้จย่างดีด้วยปัญญาและหลังจากนั้นมันจะเกิดเห็นความจริงขึ้นมาตามดูความจริงนะหลังจากนั้นมันจะเกิด การปล่อยเขาไม่ไเองที่ริบบิทจาขาวนู้นผัวแยงมันพ่อพนเมื่อเวลาใดมันรู้ทันมันดับไปมันตัดกระแสนี่นี่คือวิธีตัดกระแสนะชินนะชินนะชินทัโสตังตัดกระแสกระแสแห่งกิเลสกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งแห่งโลกกระแสแห่งวตะเาจะมาตัดตรงนี้ตรงที่มันเกิดความคิดขึ้นก็รู้ปั๊บมันจะตัดกระป๊บขาด ขาดกระจุยเลยว่ามันขาแล้วมันจะดับแล้วมันจะปล่อยเลยเบาเลยเมื่อเราปล่อยหาออกจากบ่าเราแล้วกำลังนั่งหมักอยู่เรายกข่าวออกจากบาเราไอ้ความเบาเมื่อได้คิดหาไม่ได้หวังมันมาเองเพียงแต่เพียงแต่วางหา่ายกข่าวโอกจากบาความเบาก็เกิดขึ้นมาแทนทันีโดยเราไม่ต้องเรียกร้องหานั่นคือตัวสันติ สุดท้ายจะบอกว่าสันติเมวะโสสิขยะจงศึกษาทันติอย่างนี้ให้ชัดเจนแล้วจะได้ทำต่อไปจะได้บอกเพื่อนได้ต่อไปนี่เป็นศิละปะในการดำเนินชีวิตเป็น art of b r e a i n g b r e a i n g วนเป็นศิละปะในการดำเนินชีวิตอย่างอริยชนต้องศึกษานะครับเรื่องนีงนี่คืออธิ ป, ปันดา ก็อยะอันยิ่งที่แหลมคมคมขนาดไหนคมขนาดตาคากระจุยชินทะโสตังป ร, รกกัมังตัดกระแสของมันซะกระแสของกิเลสกระแสของตัณหากระแสของวาตาสงสารมันจะซืบต่อกัาไม่รู้จะจบถ้ามันคิดเราก็หลงไปกับความคิดรู้สึกรักก็รักก็มันรู้จักสึกสังก็ชังกับมันไม่จบหรอกครับไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุด ท่านจะบอกว่าหนทางราตรีนี้ยาวนานนักสำหรับคนที่นอนไม่หลับหนทางจะยาวไกลมากสาหรับผู้ที่เหนื่อยล้าแล้วแ้ะยะทาเพียงสองกิโลกิโลก็เหนื่อยมากในการเดินท่อขอ ง, ขอ ง, ขอ ง, ของสัปคูปฏิปณิสขาสลัดทิง้งซึ่งอุปธิธัรปวงก็เลยไม่ถึงสันติไม่ถึงความสงบที่แท้จริง ก็เลยวนเวียนวนเวียนอยู่กับได้กับเสียกับมีกับเป็นกับแพ้กับชนะกับเกิดกับตายอยู่ตรงนี้ถ้าจะถามยาวมากไหมยาวไม่มีที่จบตายหรือเกิดก็ดแล้วตายขึ้ น, น, นลงลงถามว่าสั้นไหมสั้นนิดเดียวถ้ารู้จักตัดในวงกลมๆไม่มีที่สุดหมุนอยู่ตลอดวัดได้ตลอดไม่รู้จักจบยาวที่สุด แต่ถ้าขนาดขนาดเดียวถ้าเราตัดวงกลมตัวนี้แคกเดียวสั้นนิดเดีย ว, ยวจึงตัวใช้อาธิปัญญาอันยิ่งที่แหลมคมทั้งแหลมทั้งคมแหลมเจาะลงไปคมตัดให้มันกระจุยอย่างเราเอาความรู้มารู้จักความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นหน้าอยู่ตรงนี้ทามันคิดไาคิดปับ๊บก็รีบรู้มันตัดแล้ว ชินทะโสตังแล้วตากกระแสแล้วกระแสที่มันจะสืบต่อจากรู้พอใจเป็นความรักเป็นความสุขหรือไม่พอใจเป็นความทุกข์เป็นความจันมันเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาก็หมุนต่อไปเป็นตัณหาคือกามตัณหาภระวตัณหาถ้าไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็หนุนเนื่องต่อไปเป็น วิภาวะตัณหาตัณหาอาการผู้อุปทานยึดถือนั่สินั้นแต่อุปทานก็เป็นพบเป็นทานเป็นการเกิดการตายต่อไปจบเป็นที่ไหนมันไม่มีที่จบเลยไม่ต้องไปสงสัยเพียงแต่รู้อย่างเดียวชัดเจนแค่เดียวฉันที่โสตังจนที่โสตังตากเสียสะ นั่งตัดอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้แบบมีอีกโตมาตามันอกเอาปัญญาเพนี้เดียวนีเราไม่ต้องมากมาต้องน้อยนี่เพทัปปัญญาสัมมาทุกขคญาคิขามนิยา่าภิกขปัญญาวาหุติอุทยัตมนิยภิกษุผู้ประกอบด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับตัวนี้นะครับที่ทำให้เราเป็นญาโคงมาไกยหามือเลย เป็นยาคู่ในระบนเบนเล็กก็เกินนะฮะพี่น้องชาวอีสานพี่น้องคนลูปมบนำของเมืองเราเมืองไทยรูปนี้ให้เกียรติพระมาเรียกพระว่ายาคู่ยาคูถ้าเขาใจคอมาพอคนหัวลุกยันบาวว่าทำไมเขาจะนองลืมท่านองลืมความจริงเกินความจริงเราจะไม่ได้เป็นยาคูเลยเรียกว่าเป็นยาคงยาคูไม่แต่คําว่าอัญยาคูรุ ครูผู้รู้รู้อะไรรู้เห็นความเกิดดับอัญญาสิวัตโพโกนหันยงอัญญาสิวัตโพกหันยว่าตาผู้เจ้าวันที่แสดงพระธรรมจักรพระรรตาสดพระโกลหันยะนั่งฟังทรงงกระแสจิตตามธรรมจักรที่พูดถึงอริยมงมีองค์แปด พูดถึงความทุกข์พูดถึงอุปทานในขันรูปเวทนาสัญญาทางขันไม่เที่ยงไปทุกเปทนาจารเวทนาตาดูไปดูไปก็เห็นว่ามันเกิดมันดับต้องเกิดมันดับแต่พระเจ้าท่านอย่างรู้ว่ากระแสจิตของคกนทะยะเห็นแล้วเห็นของเกิดความดับแล้วนั้นสู่สู่ประตูเรียกว่าประตมรรทแห่งพระนิพพานประตูแห่งพระนิพพานด้วยถ้าไปเห็นของเกิดขวาดับนี้ผ่านอยู่ตรงนี้่นใกล้ใสเวนิพานสันติเก ทากงเลยพ่องมาอัญญาสิอัญญาสิวตถภวโกณทันโจรโกณทันยะรู้แล้วหนอพูดถึงสามครั้งโกณันยะรู้แล้วหนอโกณันยะรู้แล้วหนอยังจินจิสมุททยะธรรมังสัพันธังนิโรธาธรรมังติโกณทันยะรู้แล้วหนอ รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็เป็นความดับไปเป็นธรรมดาก็เลยมาเข้าขาาดีว่าภิกขุ ป, ปัญญาป่าโหติอุทะยัติธรรมนิยาภิกษุผู้ประกอบพุถุปัญญาเป็นเสดเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิ่เพรทิการยะสมาธขะขยะธรรนิยาเธอย่อมทำเลกิเลสสความสิ้นทุกโดยชอบกิริยาที่ทำเลกิเลส ว, วานิเพรทิการยะหมายถึงเจาะแทงและกระตัดให้ขาด หลังจากนั้นก็จ ะ, จะรู้จักว่าอันนี้คือแกน่นสารัญญาสิผู้รู้แล้วซึ่งแ ก, นะกะ่นตะจัญญาสิผู้รู้แล้วซึ่งเปลือกเพฆะัญญาสิผู้รู้แล้วผู้รู้แล้วซึ่งกะพีเหมื อ, ตอนต้นไม้มีเปลือกมีกะพีมีแกน่นกะพีพระตาลวะมอกงูงจะเปลือกแต่หมกแกแก่น แกนของพรมอาจารย์รู้แล้วเปลือกของพรมอาจารย์รู้แล้วกะพีของพรมอาจารย์รู้แล้วอะไรคือแกนอะไรคือเปลือกอะไรคือกะพีจะต้องเส้ยเวลาอีกมันเหนื่อยเดี๋ยวพอมีเวลาค่อยว่ากันนี่แหละเขาคืออ้ที่ปัญญาที่เราจะต้องมานั่งพัฒนาเอาทีนี้มาดูมาดาูมาดูสถานะในการปฏิบัติปฏิบัติการสมุฟ้า เราไปนั่งดูหนังดูละครเราไปนั่งดูหนังถ้าเรามองไปที่จอที่มันเคลื่อนไหวภาพต่างๆที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในจอนั้นเราจะเห็นไปเรื่องเรื่องน่ารักน่าชังน่ายินดีน่าเกลียดเมืม่อเขาโกรธเราก็โกรธไปกับเขาเมื่อเขารักเราก็รักไปกับเขาเมื่อเขาเรื่องดรามนเทิงกัน ชื่นชงกันเราก็จะหลงไปกับเขาแต่เราถ้าเรารู้ลึกขึ้นมาอีกว่าภาพอยู่ในจอนั้นมันเกิดจากนี้จากฟิล์มที่มันเป็นมวนหมุนหมุนหมูหมุนและมีไฟศาสตร์ไฟสัดเข้าสู่ฟิล์มแล้วก็ทะลุปไปตั้งเป็นภาพอยู่ในจอเคลื่อนไปถ้าไม่มีฟิล์มเลยภาพในฟิล์มไม่มีเลยภาพในจอเขไม่มีไม่เป็นเรื่องอะไรในขณะเดียวกันเรากำลังดูภาพที่ฟิล์ม ฟิล์มที่มาไหลเป็นม้วนเป็นม้วนประมาณที่มันอาศัยไฟส่องส่องสัตว์ภาพของปรใส่จอเราจะเห็นได้ว่าฟิลม์มมันมีภาพภาพผู้หญิงภาพผู้ชายเดินอยู่เดินอยู่นั่งโย่นอนโย่ถือมีอยู่ถือปืนอยู่กอดกันโย่กัดกันโย่แต่ไม่เป็นเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องมีภาพแต่ภาพนั้นมันเป็นเรื่อง ชั้นใดเราดูความคิดเราในขณะที่ทำไมขณะที่มันคิดเรามัไม่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรแต่เรารู้ว่ามันคิดก็เหมือนเราดูฟิล์มเห็นแต่ภาพมันไปเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันไม่แปลกันหรอกครับคิดเป้าโครวนี่แกคิดนะไม่ใช่ฉันคิดสมมติเอาก็ได้ว่ามีมึงคิดไม่ใช่กูคิดว่ายังก็ได้กูไม่ได้ตั้งใจคิดแตนูมันคิดเองมึงคิดไปเพียงแต่เรารู้มันก็หยุดแล้ว มันไม่เป็นเรื่องเนี่ยเห็นตาผ้าคิดใหม่ก็รู้ใหม่ก็เห็นตาผ้ามันเป็นเรื่องคี่ทั้งคืนคี่ทั้งวันก็สงบไม่วุ้นวาเลยครับไม่ยากนะถ้าทันตัวนี้แล้วไม่ยากนะง่ายๆอาจจะพูดในใจว่าโอ้มันง่ายกว่าที่คิดไปคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่จะยากที่สุดกลายเป็นง่ายที่สุดแต่ไม่ใช่ง่ายนะ แต่เวลาที่เราไปจากสิน่งนี้จริงจริงมันจ ะ, ม, นจ ะ, ม, นจะมันจะมีความรู้สึกว่าง่ายกว่าที่คิดง่ายกว่าที่เราคิดเราคิดว่ามันจะยากที่สุดโอ้ยนิดเดียวแล้ก็ไม่ไกลด้วยถู่ไหมผมจึงฝากตอกแล้วตอกอีกย้ำแล้วย้ำอีกอย่างให้ท่านราดได้ได้พิจารณาอย่างนี้เอาปัญญาเถอะครับสมัยนี้เอาสมาธิย่างช้าอยสภาพแวดลอมไม่เคยโูนให้แกเราฉันกมไม่เคยโูนแก่เรา ่อถก็ของมีสิ่งย่วยอมมองมองมากเอาสิ่งแล้วนั้นมาสืบศาสทันนีเลยจะได้ประโยชน์มากจะชำแรกะกิเลสจะจับ จ, จ, จ, จะตัดจะแทงไปสู่ของสิ่งทุกโดยชอบได้จ่ต้นตอนจะของทามันคิดเรื่องการบลง้ว่ารีบรู้มันไม่ใช่เราคิดรีบรู้ปั๊บมันก็ดับไปยังไม่ดับมันรู้ต่อไป คิดพันค้างก็รู้พันค้าคิดหมื่นหงก็รู้หมื่นหงมันก็ดับไปแต่ไปมาเป็ปเร่องธรรมดาคิดมาเถอะกุฏยาวของเราเลยว่บโยจลังวาปิตติธันวานิสินโนวาอุทยาอุทวาทะยังวิตกังสมจิตวาวิตะกูวิสตะกูปัสมีรัโต ทัพโผสตาทิสโสภิกขุทูตงสัมโพธิมุตตะวังผู้ใดยืนอยู่ก็ดีทิทัททสสเจปิแม้จะจยืนอยู่ก็ดีนิ่สินัสเจปิ จ, จะนั่งโยงแม้จะนั่งอยู่ก็เดสนสยานัสเจปิชักระสะัสเจปิอุทิยสะสเจปิ จะนั่งอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ดีจะลุกขึ้นมาใหม่ใหม่ก็ดีวิตะกลางสมยัยยตตาบางวิตะกูประสิเวละตพอใจพอใจที่จะเข้าไปรู้จักวิตกคือความคิดและพอใจที่จะทําให้ความคิดนั้นล้างนับหลงไม่ได้พอใจจะเกินไม่ได้พอใจเลยว่าทํายังไงหนอจะมีหูทิศทําเนี่หนอจะมีตาทิศ ทำยังหงน้อจะมีจะจะเห็นเลขเห็นหัวทำยังไงนอจะรู้กจิตใ จ, จของคขาไม่สนใจในเรื่องแต่จะพอใจเพียงแค่พอพอะนะี้ท่านจกว่าพอใจนะวิตักกูปสุเมระโตก ร, ระตรตีไปประพอใจยินดียินดีที่จะเข้าไปทำให้ความคิดมันสงบด้วย ก, การรู้จักอย่างนี้พักโพโสตาที่สโสภิกขกขุดทุ่งสัมโพธิมุตตัง ภิก่วนนั้นสมควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณออุดมคือว่าง่ายแท่ไง่ายเลยเนาะมัมเป็นแต่สิญามันสิญาหวาบรซื้อหวาบัดความคิดมันในซื้อน ะ, ะวันใดไปนอนมื อ, <c oughs> ม, อมือกายมาผา่าด้วยอาคาขึ้นหางคือเดยียืนคิดว่าเคิดเป็นนั่งอยู่ในห้องน้ําห้องส้วมเราคิดเป็นฉันข้าวกินข้าวอย่างเราคิดเป็นก็สามารถจะรู้เรื่มาได้ทุกแห่ง นี่แหละครับพัฒนาประยามอธิบายอย่างนี้ท่านจึงบอกพักโพโสตาทิโสภิกขะผุดทุ่งสัมพโพธิมุตตะมันภิกษุผู้เช่นนั้นแหละสมควรแท้ที่จะบรรลุพโพธิญาณอนุดมอันสูงสดุดสัมพโพธิมุตตมังสัมพโพธิญาณอันสูงสุดอุตมังอนุดมยิ่งเอ มันน่าจะยากนะแต่อย่าไปคิดจะไปคุยว่ามันง่ายนะแต่เข้าถึงได้เวลาเข้าถึงจุดนี้เขจะบอกให้มันจะเป็นยังไงพอเราเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตมันจะเฉยคิดมันถึที่มันไม่ไม่กลัวจิตจะกล้ามากกล้าที่สุดอ๋อโอยมาเด้อมีอะไรมาคืนเด้อมาคิดหลายๆเด้ออย่าแก่ไม่คิดแต่ไม่คิดนะถ้าเรารู้แต่จะอายเราไม่มา บางทีมันจะขายายสโคฟสะเก็ดออกไปเป็นชั่วโมงก็คิดครั้งหนึ่งไหลามาครั้งหนึ่งพอเราพ่อเราจ้องรูมันอยบางทีสองสามชั่วโมงต่ อ, ต, อต่อไปเป็นวันนับได้เลยแต่ละวันมาคิดอะไรนั่นมาเข้าโหยหลายวันเป็นเดือนทีนี้จะมีความรู้สึกว่าเราทำไมง้องจังคิดไปเป็นซื้อบือซื้อบืออ้อ เอนังสืมาอ่านไม่ได้นะครับตอนนี้บอกบอยก่อนถ้าเรียนต้องซื้อเตรียมสอบตบไม่อ่านเลยถ้าจิตจิตมันอ่านจิตมันอ่านจิตดีกว่ามันไม่อ่านเลยอานังสือมาอ่านมันล็อกล็อกเป๊ะอยู่ในหัวล็อกเลยเห็นตัวตัวหนังสือลายขยายว่าอ่านจ้อยพี่มันอ่านอยู่ตัวข้างในการเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างนั้นมันอ่านมันเป็นสัมผัสระยะมันแล้วก็ไม่อ่านไม่มีอดีตไม่มีอนาคตที่จะิรงอยู่ในปัจจุบันคือตัวเงียบอยู่เช่นนั้น ในหัวนี่เย็นชับล็อกเป๊ะถ้านั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนมีน้าไหลอาบเอิบซุ่มซาบเย็นแสนจะเย็นถ้าเมื่อมาเย็นข้างในมันก็มาเย็นข้างนอกเลยสีติพาโวเข้ามาถึงภาวะเป็นผู้เย็นเป็นของเย็นกิเลสที่มันเคยร้อนถที่มันเย็นหลังจานั้จะเป็นสีที่ผู้โตเป็นผู้เย็นแล้วลงแล้ว นั่งยืนแสจะเย็นอยู่ตรงนั้นวันคืนไม่บีบขันแต่ละวันผ่านไปเหมือนมันเวลาเพียงสี่ห้านาทีเท่านั้นต่อหนึวันตัวนี้จะเป็นอาการลิโกอยู่ในตัวตลอดแต่พูดกับใครจะรู้เรื่องไม่มีภาษาใดจะมาอธิบายจะพูดจะเหนื่อยอย่างนี้ ก, ก็ก็จะไม่ไ ม, ไม่พูดไม่พูดถกสภาพนี้สภาพนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เห็นอะไร สิ่งที่เคยเซนสิทีฟที่เคยที่เคยหลายซ่านมันจะเฉยมันจะมื่อเห็นก้อนอิด ก, ก้อนดินมันเห็นเส้นเส้นได้เส้นฝังเฉยๆทั้งเนกติทั้งโพสิฟไม่มีเห็นสักแต่ว่าเห็นตีสักแต่ว่าได้ยินเป็นเองไม่ใช่เราไปทํามันเป็นได้ไงมันเป็นเองของมันมันพัฒนาตัวมันไปทางตัวนัน นี่จะเป็นการศึกษาที่สูงสุดทางอภิปรายฝันก็ไม่ฝันนะครับมาถึงตรงนี้นะฝันให้ดีเป็นเครื่องวัดเองกันเมยแม้จะฝันตื่นรู้จักไม่กระทำฝันจิตมัตเจะนี่คือทิพนี่เพยแปลว่าเจอะภาษาบาลังกลเรียกว่า boiling the sense เจาะใส้สลงไปในภาษาวนรึดสัานุโพธายังต้สูกความจริง พอเราจะฝันปั๊บตัวที่มันมันเคยต้องรู้ต้องเห็นอยู่ในความคิดมันรู้แม้กระทั้งจะฝันมันบอกว่าอันนี้ฝันไม่ฝันเลยจบฝันไม่ได้เลยไม่ไปเรื่องเปราวมืันกับคิดแต่ก่อนเราคิดไปเรื่อยไปราวแต่พอเรามันรู้จักมันกระดับไปรู้จักมันกระดับไปไม่เป็นเรื่องคิดแต่ทั้งวันไม่ไปเรื่องสงบอยู่อย่างนั้นเหมือนดูดูฟิล์มไม่ได้ดูดูจอก็เห็นแต่ภาพแต่ไม่ไปเรื่องคิดแต่คิดไม่ไปเรื่องรู้อยู่ตลอด พอจะฝันก็ฝันไม่ได้เรื่องตัวรู้พอเขาไปรู้ก็ตื่นแ เ, นเราจะเราจะจะมีความสนันนกษว่าเอ้อันนี้เองที่ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ฝันเพราะอรหันต์ไม่ฝันพร ะ, ะ, รพระปฏิยกรรมพุทธเจ้าไม่ฝันไม่มีเวลาที่จะฝันต้ลท่านมันตื่นอยู่อย่างนี้แล้วอ่านแล้วก็อ่านไปแต่พอเวลาเรามาทําตามนี้นเราก็เห็นว่าแม้แต่เราเ ป, ป็นบุรุษชนธรรมดาเราก็ยังฝันได้ มันฝัน้มันก็ตื้นก่อนอันฝันเก่งๆนั่นงูอันฝันเห็นเจียงูคื่นอันฝันเห็นบางพระอลนหมุนดอกอันนันมเป็นฟอหันดอกที่ว้เพิ่หมุนไปหายยังไรเข้าคนนึะอันฝันดีๆเนี่ยฝันท้องก็เว้นทุ่นห่นั่งอยู่ก็ฝันทุนนลับตาอยู่กับฝันยไปเรื่อทางกับฝันขั้วไมมีสติฝันนะเต็มไปด้วยบาศกับฝันอยกยบขี้ขัไปๆไปพอกดข้อขอไปพรอ มันมีสติต้องฝึกขหิดีๆนี่คือพัฒนาปัญญาการศึกษาวันนี้มันมันลึกซึ้งนะครับอันนี้ตอนเอกวิธีหนึ่งนะตอนด้วยสติวัญญานะอย่างมีเอกที่จะต้องตอนเอกตอนด้วยสมาธิเวลาพอไหมมองๆด้วยจังดังโยเอาตอนด้วยสมาธินะนะตอนเจ้าของ ข้าวันเซลลคำประสนนรนานมันหุนสิบริโดนนาอย่มันหดสร้างน้อยช้างตกมันกวางตกมันเอามาโยกชนเดื่อของพระเนนตกมันสะเนนหน่อยซิกตกตกเมื่อกี้ตอนด้วยปัญญาตัดตอนชำแรกแหกแทง เจาะแทงด้วยอธยิปัญญาทีนี้มาอาธิจิตตอนด้วยสมาธิลองสังเกต น, นะครับเมื่อเวลาเรานั่งสมาธิเราจะมีความรู้สึกแน่นอยู่ในหัวมีความรู้สึกไตไปๆต่ตาตามาเคลื่อนไหวอยู่ในหัวในขมงังถ้าไหลเย็นลงไปอีกเราจะเห็นได้ว่าเพียงแต่เราเขยเค ย, เคยะพยยื่ืนร่างกายมันจะมีการสั่งอยู่ในขมงังเคลื่อนไหว พราะจะไมนไม่แปลกไลยที่หมอเขาบอกใช่เลือดแตกในสมองอย่างของแตกสายไปตายแตกแตกซ้ายตายขวาแตกขวาตายสายหมอไม่บอกเราก็รู้เมื่อเราจะเดินสมาธิให้ใจัดสร้างสัมปชัญญะอย่างที่ผมบอกเป็นประจำเวลายืนเวลานั่งให้รู้จักสัมปชานักาลีโหติสัมมัญชีเตภาษาลิเตสัมปชานักการีโหติอภิกเตปริกเตสัมปชานากการีโหติ เธอจะเคลื่อนจะไหวจะกบจะเหยียดจะคูจะเงยจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับอุจจาระปัสสาวะกเมื่อมปรชานังการีโหตินากรีเธอจะถ่ายอุจจาระถาเป็นสวะเธก็ทราบใช่หรือนังถ้าการทำอย่างนี้นะครับเมืุมละเอียดเข้าสติสัมประชันย ะ, ะอะไรอย่างจะเห็นก่อนที่เราจะเคลื่อนไราให้เรารู้ซะ ก, ก่อนแล้วเราจะเห็นว่าเวลาจะเคลื่อนจะไหว มันจะสั่งอยู่ในขมงังมันจะเคยจับขยับไปเรื่อยตรงนี้จะขยับซ้ายมันจะเคลื่อนไปทางขวาจะขยับความจะเคลื่อนไปทางซ้ายพอเส้นเลือดแตกทางขวามันก็เลยมาตายทางซ้ายหมดลําพักมันสั่งกันไม่ได้ตรงนี้ไม่แปลกเลยไม่ต้องไปรียสรีรวิาศาสร์กัแพทย์หรอกเรารู้จักเมื่อเราฝึกสัมปพัญญะตัวนี้โอพระพุทธจ้าทางช่างพิเศษจริงทาง่านสอนเราไม่ได้กระพริบตานะครับอย่าให้มันกระพริบเฉย นั่งโยงในเวลาเจ้าพิตาต้องต้องสติต้องสัมปชัญญะไว้ที่ที่เปิดตาเนี่ยกับพิษครั้งแรกไม่รู้ครั้งสองไม่รู้ครั้งตาครัง้ ง, งที่สี่ยังไม่รู้ไม่ทันแต่พอมันทันกับพิษที่เดือกระเทือไปทั้งตัวเสียงจะดังทงหงหงั้งหูเลยตึ้งตึตัวนี้ก็เทอือนเมื่อเรารุกขึ้นมีสัมปชัญญะก้าวไปด้วยมีสัมปชัญญะเออว่าเดินไปมือนผ่นดินจะสุดเดินไปแต่ลแต่ละการมือนแผ่นดินจะสุดตรง มันกระเทือนไปหมดความละเอียดอ่อนของของความรู้ความเข้าใจของสัมเตติสมะชัญญะเอไม่ใช่ธรรมดามันพัฒนามันจะขายายตัวขึ้นมาจเจริญขึ้นมาโตขึ้นมามันจะเป็นมหันตังจิตตังจิตใจแล้วม่นจะเป็นจิตแล้วยาด้วยสติยายด้วย ส, ยวยสมะชัญญะหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าในหัวนี้เคลื่อนไหวโยงนึกถึงการแปล ที่นักศึกษาไปเรียนไปเป็นมหานะในหมวดที่ว่าด้วยจิตธรรมบททูรังขะมังอสดิรังเอกจรังคูห้าสจังจิตนี้ท่องเที่ยวใบไก่โอเคถกูกจิตนี้เอกจังไปคนเดียวไปดวงเดียวมันก็ถกูก มันไม่ได้มไม่ได้คิดแต่ทีละร้อยร้อยอย่างมันคิดแต่ละอย่างนั่งอยู่ด้วยกันมันก็มาช่วยกันคิดอาสรีลางไม่มีไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างคู่หาเสยีย ง, งงงคนแปลแปลถูกแต่ยังไม่เข้าใจคู่หาเสยียงแปลว่าอยู่ในถ้าวงเล็บร่างกายนี้หรือว่ากระฉะกายนี้เล่นคํำเลิเกิน เอาเขาจกราชก็มารูจากกราชชกายคืออะไรจากแล้วันวงรวงเลยว่าน้องกราชะกายนี้ผูิบเรมหานะอะไรคือกราชะกายที่ที่จิตอาศัยอยู่กราชชชาโตกาโยสัพชีโวสัพชีพเกิดมาจากธุลีในน้ำ กระชากาโยไปประกายที่เกิดมาจากทุเรียนในน้ำคือร่างกายนี่แหละเกิดมาจากน้ำน้ำเวลาก็ตามแต่แถอะคงจะเข้าใจเองทีนี้เมื่อคําว่าคู่หาเฉยอยู่ในห่ําวงเล็บร่างกายนี้ว่ากระชากายนี้ก็ถูกแล้วตแต่แปลว่าอยู่ในห่ําแต่ครอบคุมไว้ก่อนกลัวมันจะผิดก็ว่าวงเล็บในกายนี้ ที่จริงเขาว่าครูหาสดงมันอยู่ในนี่สํา น, นั ง, งานปฏิบัติการของมันอยู่ในโพงสมองนี่เมื่อเรานั่งเพียนเพ่งอยู่รู้อยู่การเคลื่อนการไหวการนึกการคิดขึ้นพอเราจะเคลื่อนอะไรละไหวอะไรมั น, ม, นมันจะเคลื่อนไปหมดในหัวพอจะนั่งขยับนิ้โป๊กนิ้วเดียวก็ช้าๆอย่างนี้มันเคลื่อนอย่างละใหัวของมัน ไม่เจอกับพริบตาเลยมันก็เคยยื่อยไ่ในของคั้ตัวสั่งมันอยู่ตรงนี้จิตเป็นผู้สั่งงานอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ทํางานอย่างซึ้งสร์สติเป็นผู้ควบคุมในการสั่งงานในการทํางานสัมปชัญญะ เป็นผู้ตรวจงานของสตีทีนตอนละเอียดนะครับถ้าเราปฏิบัติไปมากๆเราจะเห็นทั้งผู้ทํางานผู้สั่งงานผู้ควบคุมงานผู้ตรวจงานถ้าเห็นอย่างเนีย้ก็โอสบายผู้ตรวจงานเราต้องสร้างขึ้นมาคือสัมปชาญญการีสร้างขอามรู้สึกขึ้นมาผู้ทํางานอาญตนะเนี่ยเป็นเลเบอร์ เป็นเป็นไปแรงงานไปเรเบิร์ลืมตาขึ้นตามันก็เห็นเองหูเสือมากระธหูก็ได้ยินเองมันเสื่อมแต่ใจจะต้องสั่งให้มันทำงานสั่งให้รักสั่งให้ชังสั่งให้พอใจสั่งม่พอใจสั่งให้กระทาสติต้องพัฒนาขึ้นมาควบคุมการกระสั่งและการทําถ้าสติอ่อนแรต้องพัฒนาเจ้านางของสติขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสัมปชาญญการิโหติ สร้างความรู้สึกทราบแฟกมันคือสมบัญญะเป็นตัวอินสเปกเตอร์อินสเปกเตอร์คือตัวตรวจงานเมื่อเมื่อขอบวนการนี้พร้อมสติปัญญานก็เคลื่อนไหวอย่างสะดวกอย่างงดงามก็สมบูรณ์แบบเมื่อศิล่านี้พร้อมแล้วเราจะเห็นตัวจิตที่มันอยู่ในกระโหลกอยู่อยู่ในโพรงอยู่ในครูหาสยียงอยู่ในถ้ำ น, นี้มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ทีนี้อั น, นมันจะเกิดตามมาปวดหัวหนักดังหนักนผ่าปวดหัวปวดบางทีปวดมือมีตบนมือตั ว, ตวพอเพ่งก็ปวดมือมีตัวมึ่งรับกระแทกกันปเป็นเต็นสะพิงปวดจนหน้าตายไปหาหมอซิบโรงพยาบาลไม่มีใครรู้จักได้แต่ยาพาราเท่านั้น ีจกนี้นได้เห็นไม่ใช่โลกเกิดทางกายนะโลกตรงนั้นโรคทางจิตเรียกว่าเจตตเจตตสิกาโรคหโรคทางจิตมันเสียบแทนีย่โรคข้านิชังกระพงนงโรคตัวนี้แปลว่าเสียบแทงเสียบแทงกายก็คือโรคกายเสียบแทงทางจิตใจก็คือโรคทางจิตทางเจตสิกาโรค้ายังไงทีถ้าปวดหัวมืนละเพ่ง เขเป็นห่วงอยู่ถ้าเพ่มงมังจะปวดหัวนะอย่าทำอย่าอย่าตั้งใจเกินไปมันจกักเงจงทาง่ายๆเหมือนขี่จักรยานถ้าเราขี่จักรยานเราจัไปธรรมดาเราก็ไปดีๆถ้าไปกึ่ปเแกมก็เล่นแอวง้องเว้ยล้มตุ้มเพวเขาแตกนั่งขึ้นรับจักรยานมันมันเก่งมันตั้งใจเกินมันก็เล่นเอวเอ ว, เ อ, ว, เ, อวงองเองงงององ่ยยวกเวกลม้ม สมาธิใหม่ตั้งใจเกินปวดหัวน้ำลายไหลามากกืนีดูดมือเอือก็คลุกสีกระเบิดห้อนกับห้อนกูมูนั่นคือไฟธาตุไม่สมบูรณ์แล้วธาดินธาตนนะาำธาตุลมธาตุไฟกําเริบแล้วปรับลงให้พอดีมันจะพอดีหมดที่นี้เมื่อเราปวดหัวจงรู้เถอะปะมันมีตัวให้ปวดนะไม่ใช่โรคนะตัวไหนตัวที่จะต้องตอนนี่เราพักปวด เราเกิดมามันเกิดมาก่อนเราเกิดในจิตในสันดาสืบตอบในกระแสะในกระแสวิญญาณวิญญาณโสตังอุปยโตต์อโภโหชินถาสังสารลัทธิเมื่อวิญญาณนี้ไม่ขาดสิ่งจากกระแสะโดยส่วนสองกระแสวิญญาณกระแสะบุญกระแสบาปมันไม่ขาดมันก็สืบต่อมาเป็นสันดานสันดาลหรือว่าสันตาหนังพระตาบเริง เรายังไม่ได้แปแลเราแปลงเป็นสันดานสันตานั่งแปลว่าจิตสืบต่อมาจนพบกองท่าของสืบมาสืบมาเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามทั้งบุญทั้งบาปนั้นร่วงเลยแล้วก็จะเป็นอรูสัยนอนอยู่ในจิตในใจไข่กับความพอใจในรูปในเสี้ยนในกลิ่นในรสนั่นคือกามกามานุัยคือกามมันนอนเนื่องอยู่ในสันดาที่สืบต่อมา เมื่อเรามาเพ่งมาเพียนเราเผามันนะตาปฏิชายีเพียนเพ่งที่จะแผดเผากามนี้เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของสมาธิกา ม, มาเตปธมาเสนากามนี้ความพอใจนี้ความไข่ยอยา่างนี้เป็นขุนพลกองทับกองที่หนึ่งของมหายามมนต้องเผชิญหน้ากับนักสมาธิผู้เพียนเพ่งทุกคน ถ้ามันมาอย่างแรงจะสจแสดงออกทางกายปวดปวดหัวร้อนเหมือนตาจะหลุดออกมาจากเบา้าไปหาหมอกรไดยาพาลาจนะวาดมันรู้จักทำไมเขามันถึงปวดเราเพ่งไม่เป็นเราไม่เป็นมวยเมื่อตะว่าตีรอกมันแจ้งแล้วนะั่งเฉยๆตีคองตีเครื่องนะเพื่อนนี่แต่วุญนอนตีหองกัน อันนี้สองนี้ตีแล้วก็ว่านางรับต่อพอได้ยอดอยู่เป็นฝุต่อขอบคุณเรานี่ยเด็กปุบบ๊บ้าตื่นตีขอได้บูบ้าเราจะโอนรับถ้ากับตีป้ยายที่ตอนมันอยู่กับเรามาหลายแสนครบหลายแสนชาตินอนอยู่ในสันดานเราหรือว่า อนุสยังอันุสยังตามมานอนอยู่เ น, นี่ยนี้เหมือนต้นไม้มีอย่างเอามีดฟังป๊อกอยางไหลหน่วยอันนั้นยางไหมอันนี้ยายใจยางไก่หรือว่าสเนาสเนหาเเสนหาอะไรใจเจียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายไปวันไหนปอกเจ้รักทุนหัวก็ว ย, ยังข้อหาอกมาทุ่รวัวตัวเมียด้วยเนี่ยคือเขาว่าสเสนหาเป็นภาษาบาลีนะ ไปว่าเยื่อใยอย่างในกิเลสใจตัวนี้มันฝังแใจเรามานาำคือเรื่องกรรมราคะเนี่ยที่มันพาเสิอเผาสือพันมาวันดีคือดีคิดจะที่จะไงที่มันจะมาไล่มันหนีมันเลยอยู่มาตลาดเสือซรานแล้วมืนี่มันขึ้นเลยคือดีผมพอนางตัวที่มันนั่นสวรรค์ที่จะมอเผามันมันก็ต้องสู้มันไม่ยไมง่ายๆมันต้องเผาเราคืนมันเผาแรงกดหัวนะปวดหัวปวดเหมือนตายจะหลุด จ่โดนจะว่อนมันเผาขึ้นมันแบบ้าโผแก่อยู่ว่าจะร้ายใส่รทบคอยอยู่ก็ราะความใจนึกมว่าตะขึ้นจะมาขึ้นดีเฉยๆคนห้ายคนนึงจะเจ้าที่ตำหนเอากวายเปเราซึ้งแล้วพอเท่าปวดหัวอันนีคือถ้าเพ่งสนที่ปวดหัวอะไรถ้าไม่เพ่งอยู่เฉยๆไเป็นไรประเดีเผามันมันก็เผาขึ้นสังเกตนะดูดูสุดๆว็ไปในประเทศไทยของเราหนึ่ง พี่น้องชาวจีนมาอยู่เมืองไทยตั้งหลายศตวรรษแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงวันนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยหนุแล้ววันนี้เวลานี้พี่น้องชาวจีนเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจกลางเมืองเศรษฐกิจก็รุ่งเรืองการเมืองก็รุ่งโรดธนาคารธุรกิจใหญ่ๆลงทุนเป็นหมื่นๆแสนแสนหลกแสนแสนล้าน เป็นของพี่น้องชาวจีนรัฐมนตรีอธิบดีกระทรวงทบวงกรมต่างๆหัวหน้าส่วนหัวหน้ากรมหัวหน้ากองราชการส่วนมากจะเป็นพี่น้องชาวจีนเพื่อรับการศึกษามาอย่างสูงส่งวันดีคืนดีสมมติว่าคนไทยคิดว่ามันไม่ควรจะมีแต่คนไทยเว้ยไม่ควรจะมีคนเชื้อชาติอะไรไล่หนีสีไล่ได้บ่ ไม่ใช่ง่ายเลยเขาเจ้าดิสไลน์ของเขาหนีไปเลยเฮ้ยลูกข่อยได้เป็นอะไรทั้งนั้นตีพวกลูกข่อยได้เป็นเป็นแหน่เพื่อพวลูกข่อยได้จะเป็นพัวราชการแต่ว่าเจ้าแต่ช่วงอะไรคนอีสเลยถ้าขั้นเกษียณของข่อยจะเป็นยิงมีขอยุ่พวกไม่ได้ขออิสเลของจึงก็เลยต่อยต่อสู้กันเขาก็ไม่หนีเพร่อเขาก็รักประเทศไทยของเขาเหมือนกันในความรู้สึกเขาคือคือคนไทย ในความรู้สึกของกิเลสมันก็คือมันแต่ถึงเมืออ่อไรคอยจะไดนเจ้าดิ้นี้ก็นี้จะ่ อ, อยครับมันจะวันนึงคอยก็จะมาไปไหมปะไปคนไปจะสิทธิ์คนปะตอนนี้เต้องต่ อ, ตอสู้ น, นะต่อเป็นมวยเวลาเราปวดหัวอย่าเพ่งแรงอย่าเพ่งต้องจัดให้ลืมตาออกอย่าหลับตาลืมตามองไปไ ก, กลๆกว้างๆทาใจให้มันไม่มีไม่มีขอบเขต พระมาริยาที่กะเจตซ า, าถ้ามันจิตใจนี้ไร้พรมแดงไม่มีขอบเขตเป็นจิตใจผู้ใหญ่ไม่เป็นจิตใจเด็กหลับตาหละตาไม่เอามลืมตามองไปไกล ๆ, ๆมองอยู่แต่ไม่ไ ด, ดูนะเห็นแต่ไม่ได้ดูมังครอ่านกันอยู่เห็นกระเบงเห็นไม่คิดเห็นเลยเห็นไม่ได้ดูไงเมื่อกี้คุณดูไปคุณดูไปดูยุตแต่ไม่เห็นนะมังกรอ่านกันนะ ฟังได้ THERE, ินหรไม่ได้ยินไม่ได้ยินดอกฟังอยู่แต่ยังไม่ไม่กินไมยกินแต่ไม่ได้ฟังไมนรู้เขาพูดอะไรมันมันเปนคนที่ส่วนกันเดเมื่อเมองไปสุดสายตามื่อไรก็ไรเห็นเห็นคนทั้งมดเลยเห็นแต่ไม่รู้จักว่าเป็นใครไม่ได้สนใจนี่คืออนิมิทต์สมาธิสมาธิที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายเป็นิมิตจิตใจก็จอลรู้จักว่าลมห้ยใจเข้าหายใจออกอยู่แต่ไม่จ้องมองไปสุดสายตา มันก็จะเริ่มเบาความปวดหัวจะเริ่มเบาลงความหนักจะเริ่มเบาลงเมื่อเบาเบาเบาก็เพ่งได้หนักขึ้นแรงขึ้นกาเก่าถ้ามันยังจะปวดอยู่ก็พ่นเพ่งขึ้นข้างบนไม่พอเพ่งลงข้างล่างเพ่งล่างคือนบนเพ่งลงเพ่งบงลงล่างเพ่งไปข้าหน้าเพ่งมาข้างหลังทำเบาเบาความหนักความปวดจะคลายตัวไปคลายตัวไป เมื่อคายตัวไปได้กึ่งหนึ่งท่านี้จะเริ่มมีเสียงดังมากขึ้นและจะเริ่มมีการไต่ไหลไปไหลมาในหัวเย็นตามหัวนิดหนึ่งตามหลังบ้างตามแขนบ้างเหมือนเมื่อคลาเอาเอาลมมาเป่าหรือมีเอาน้ำแข็งมาใส่เย็นๆก่อนที่จะเย็นก็นร้อนดีซะก่อนร้อนไปชดเมื่อคลเอาไฟมาอังตามแขนตามหลังตามหน้า แล้วก็รับรู้รับทราบอย่างเดียวเมื่อต้องอยากให้มันหายหรือไม่หายมองอย่างไม่มีจุดมาปลายทางสติไม่ให้ค่าดจากลมหายใจเพรามหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าความร้อนผ่อนคลายความเย็นจะเพิ่มขึ้นเย็นในจมูกเย็นในดั้งจมูกเย็นขึ้นหน้าผากเย็นขึ้นหัวแผ่กระจายขั้ขนแรกจะเย็นนิดหนึงเท้าหัวมอญมือเท้าหัวนิ้วก้อยแล้วขยายขึ้น ถ้าไม่ท่ามะนาวถ้เท่เท่ า, า, าลูกไข่นั่นนะเข้าจะแผ่เต็มหัวเมื่อแผ่เต็มหัวแล้วอะไรจะเกิดมันจะเย่จนคางสันนะครับมันจะเย็นธรรมาดาแดดเต้นฟ้าเขาเย็นคางสันงับสีติพาโวพาว่าแห่งความเป็นผู้เย็นสีติฟูโตเข้ามาถึงมือนกับน้ําแข็งอยู่ในหัวสมองทั้งสมองเหมือนกับก้อนน้ำแข็งจะไหลอ า, อาเออซึมซาบอยู่ อิ่มเอิบอยู่สดทื่นอยูยินเสนใจเย็นคางสังพูดจากับคนระบาเหมือนกับมันมีอะไรจมมั น, นัอยู่นี่คือมันเย็นนะไม่ใช่หนาวนะแต่ตัวนั้นเอาไว้จะว่าขึ้นเยี่ยวของคุณมันจะหดจะรอกเข้ามาท่านี่ <c oughs> ตอดตอดตอดตอดัว น, นี้เว ล, เวลาวคุณไป ภาษาว่าคงจะต้องได้ดงดิ่งโลกมาม่จโรดปจ์ดาด์คมดนได้แต่จะว่ามันตายได้หรือได่ตายได้มันจะหลบใชอไดมรที่วิจินรของเราเองต้องเก่งราเงที่จะต้องต่อะไรอย่างไรจบวันนี้เดาเทนี้มั้งกมงแล้วผมก็เหนื่อยแล้ว พระกันแผ่เมตตาแบ่งจิตแบ่งแผ่บุญแกุศล well. ให้เพื่อนส people, everybody, everybody, everybody. ัษปะสับโโลกลุทุกเกิดแก่จะตายขอความเจริญงอกงามในเสขาธรรมในอริยะญยธรรมนำไปสู่การตอนให้สำเร็จลุปโดยทั่วกันทุกโูกทุกอณนทุกทานทุกคนทื่